ก็าบบูชาพระตนตรยัยกาบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อทีหลวงพ่อคำเขียนก็กาบกรวะหลวงพวกก่อกลมอาจา ร, รจย์ทรงศิลป์อาจารย์มัฒนาชัยพระเทรานุเทระพันเตเพื่อนสาธมิกเจริญพรแม่ชีและก็ญาติโยมทุกคน ก็ไม่ทันตั้งตัวนะนึกว่าจะได้ฟังในเทปที่พูดไปวันนั้น <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรนะนี่เป็นเรื่องธรรมดาการเชิญสติที่หลวงพ่อคำเขีย น, นได้ อูดไปเบื้องต้นนะก็คงจะเป็นสิ่งที่พวกเราได้ยินได้ฟังนะแล้วก็ท่านก็จะเน้นนะให้เรามาเรียนรู้นะเรื่องกายเรื่องใจของเรากายใจเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้นะโดยอาศัยสิ่งที่เราเรียกว่าความรู้สึกตัว ความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าที่มีอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอไม่เพียงพอที่จะรู้เท่าทั น, นกับอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดโดยเฉพาะยิ่งความคิดเนี่ยถ้าเราสังเกตให้ดีจะเป็นตัวที่พาให้เรา นะไปสุขไปทุกข์หนะรือว่าพอใจไม่พอใจนะในชีวิตของเราในแต่ละขณนะเราจะพบสิ่งเหล่านี้ในระยะ 6-7 วันนะที่เราได้มาร่วมกันเรียนรูนะ้กายใจของเราโดยการเจริญสตนะิด้วยการเคลื่อนไหวนะตามแนวทางที่หลวงพ่อเทียน นะท่านได้นำเสนอไว้แล้วก็เราได้นำมาประพฤติปฏิบัติกันทั้งกลุ่มที่อยู่ประจำและกลุ่มที่มามามใหม่ก็ดนะีหรือกลุ่มที่มาอยู่ 6-7 วันนี้ก็ดนะีเรามาที่วัดป่าสุกโตเนี่ยจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะมาเรียนรู้นะเรื่องกายเรื่องใจของเรานี้เอง นะตรงนี้เป็นจุดสำคัญเป็นจุดเน้นนะที่วัดป่าสุก โ, โตเนี่ยอาจจะเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องพวกนี้การเรียนรู้เรื่องกายใจเนี่ยนะเราก็ไม่ต้องไปทำให้มันสงบให้มันนิ่งนะก็คือเราให้มีความรู้สึกตัวนะกับกายเคลื่อนไหวแล้วก็ อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดต่างๆาที่มันอนอนเนื่องมันจะได้แสดงหรือปรากฏออกมาให้เราได้เห็นเมื่อเราเห็นแล้วเราก็จะได้จัดการอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะในเบื้องต้นเนี่ยหลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่อเทียนก็ดีท่านก็ได้แนะนำเอาไว้ว่า ในเบื้องต้นนั้นให้เรารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวบ่อยๆให้มันชัดเจนนะตรงนี้จะเป็นจุดที่ทำให้เป็นการปลุกความรู้สึกตัวนะที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้มันตื่นตัวขึ้นมาให้มันมีความฉับไวขึ้นมาให้มันรู้เท่าตันความคิดความนึกต่างๆขึ้นมานะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เราสามารถที่จะเข้าไป ดูนะหรือไปเรียนรู้นะสิ่งที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเราได้ถ้าเราจะเข้าไปดูใจโดยตรงเลยก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะโดยเฉพาะยิ่งคนที่เริ่มต้นใหม่นะหรือคนที่ยังไม่ชัดเจนนะในความรู้สึกตัวที่กายก่อนนะซึ่งตรงนี้ในหลักสติปัฏฐานสี่เนี่ยนะก็จะเริ่มที่กาย นะก็คือมีความรู้สึกตัวที่กายให้ชัดเจนเนะมื่อมีความรู้สึกตัวที่กายชัดเจนแล้วในะตัวความรู้สึกนี่แหละนะที่มันจะทำให้เรานะเข้าไปรูนะ้ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนลงไปนะจะเป็นความสุขความทุกข์ความปกตินะความเฉยๆนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่มันมีอยู่แล้ว เป็นปรากฏการณ์เป็นอาการที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วในแต่ละขณะในชีวิตประจำวันของเรานะซึ่งอารมณ์เหล่านีนะ้เป็นสิ่งที่เราเคยชินนะในชีวิตประจำวันที่เราไม่เคยได้มาดนะูหรือเราไม่เคยได้มาสังเกตมันนะพอมาเรามาอยู่ที่นี่นะเรามาดูเรามาเห็นมาสังเกตมันนะเราก็จะเห็นชัดเจนขึ้น ว่าสิ่งต่างๆแล้วเนี้ยเป็นปรากฏการณ์เป็นอาการที่มันเกิดขึ้นแต่ก่อนเราไม่รู้นะเราก็เข้าไปหลงนะว่าเป็นตัวเรานะตัวเราทุกข์ตัวเราสุขพอใจไม่พอใจเป็นเราหมดเลยนะแต่เมื่อความรู้สึกตัวมันชัดนะมันก็จะเป็นแต่เพียงอาการนะที่มันเกิดขึ้นสลับสลับเปลี่ยนกันไปหมุนเวียนกันไปนะไม่คงที่ไม่ตายตัวนะผันแปรอยู่ ตลอดเวลานะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ย เ, เกิดจากการที่เร า, เาได้พัฒนาความรู้สึกตัวที่มีนั่นเองนะนอกจากนั้นเนี่ยนะก็จะไปเห็นเรื่องของความคิดนะที่มันคิดต่างๆนาะนาะโดยเฉพาะคนที่คิดเก่งเนะมื่อมาเจริญสติมาปฏิบัติเนี่ยมันก็จะฟุ้งซ่านขึ้นมานะซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายคน โดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นใหม่ก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ปฏิบัติไม่ถูกแล้วมั้งนะ น, นี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะหลายคนนะเข้าใจว่าจะต้องให้มันสงบให้มันนิ่งนะให้มันไม่ต้องคิดอะไรนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยนะมันก็มันก็ทำให้เราสบายะนะแต่ว่า <c oughs> เราจะไม่ได้เรียนรู้ อ, อารมณ์หรืออาการต่างๆที่เกิดขึ้นเลย ดัง น, นั้นการที่มีอะไรเกิดขึ้นม า, นาภายในจิตใจของเรานะั่นะเป็นสิ่งดีเป็นสิ่งที่จะให้เราเรียนรู้เป็นสิ่งที่จะให้เราปรับกายปรับใจให้มันเกิดความสมดุลขึ้นมาซึ่งตรงนี้จะเป็นเป็นสิ่งที่ปัญญามันจะเกิดขึ้นแล้วก็มันจะรู้จักการปล่อยวางได้นะซึ่งตรงนี้มันก็จะเกิดความสงบอีกแบบหนึ่ง เป็นความสงบที่ตื่นรู้ไม่ใช่เป็นความสงบที่นิ่งนะซึ่งตรงนี้เป็นความแตกต่างานะจากที่เราเคยได้เรียนรู้มาหรือจากที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาหรือจากการที่เราได้ฝึกมานะด้วยวิธีการสงบนิ่งเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยจึงเป็นสิ่งทีเ่เราจะได้มีโอกาสสัมผัสนะในอวันที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนกลุนะจะได้สัมผัส นะกับความเป็นปกติความไม่ปกตนะิที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรานะแล้วก็เห็นได้ชัดเจนเลยว่าความเป็นปกติของใจเนี่ยมันมีอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติเดิมแทนะ้ที่มีอยู่แล้วแต่เมื่อไดก็ตามที่เราเผลอนะเราไม่รู้เท่าทันนะความนึกคิดปรุงแต่งหรืออารมณ์ต่างๆเนี่ยเราก็จะพัดหลงไปกับความปกตินี้ นะก็ทำจิตใจของเรานั้นไม่ปกติเพราะนั้นการที่เรามาทำความรู้สึกตัวนะอยู่บ่อยๆ อ, อย่างต่อเนื่องนะตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เราคุ้นชินกับความเป็นปกติของใจเมื่ออะไรเกิดขึ้นมันไม่ปกติเนี่ยเราก็จะเห็นได้ทันทีแล้วมันก็จะกลับมาได้ทันทีนะเส้นตรงนี้นะจิตใจที่เราเห็นได้บ่อยๆได้เรื่อยๆมีความตั้งมั่นเนี่ยนะนะมันก็จะเป็นสมาธิขึ้นมาเอง นะความเป็นปกติก็เป็นศีล น, นะจิใจที่ตั้งมั่นมองเห็นนี่ก็เป็นสมาธิและในขณะเดียวกันมันก็เกิดปัญญาเกิดปัญญาที่เห็นสิ่ ง, งต่างๆว่าไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีความผันแปรเป็นสิ่งที่เราไปบังคับบัญชาอะไรไม่ได้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยถ้าเราไม่ได้มาฝึกไม่ได้มาสังเกตเนี่ยนะเราก็จะพัดหลงนะไปใน อารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดต่างๆเหล่านั้นนะซึ่งตรงจุดนี้นี่เองนะที่หลวงพ่อเทียนก็ดีหลวงพ่อความเขียนก็ดีนะท่านก็พยายามที่จะให้เราเนี่ยนะกลับมารู้สึกตัวนะที่กายเคลื่อนไหวเสียก่อนนะซึ่งเมื่อสักครู่ที่เราได้ยินได้ฟังไปหลวงพ่อก็ได้พูดไว้นะ่ะชัดเจนว่าให้เรากลับมารู้สึกตัวที่กายเนี่ยมันจะเป็นหลักเป็นชัยภูมินะ่ะเป็น จุดที่เราจะเป็นเป็นที่ตั้งมั่นนะเมื่ออารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดอะไรผ่านเข้ามาเราจะได้เห็นทันนะเราจะได้รู้ทันมันนะเราจะได้ไม่หลงไปกับอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดเหล่านี้อันนี้เป็นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็น้อมนามาปฏิบัติมาพิสูจน์นะเราไม่ได้เชื่อเพราะว่าสิ่งที่ท่านพูดนั้นเอ่อ เป็นความจริงนะแต่เราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเราเองซึ่งในระยะ67วันที่ผ่านมานี้นะพวกเราก็คงได้พิสูจน์นะคำพูดนะของหลวงพ่อคําเขียนกด็ดีของหลวงพ่อเทียนก็ดีหรือแม้มแต่ครูบาอาจารย์ต่างๆนะที่เราได้ยินได้ฟังมานะเมื่อเราได้ประสบนะกับตัวเองจริงๆตรงนี้แหละนะมันจะทําให้เรามีความเชื่อมีความศรัทธา นาะที่แท้จริงเป็นศรัทธาที่เกิดจากการปฏิบัติไม่ใช่เป็นศรัทธาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังนะการได้ยินได้ฟังนั้นก็เป็นความศรัทธาได้นะแต่ว่ายังไม่มั่นคงเมื่อเราประพฤติปฏิบัติลงไปนะแล้วก็เกิดผลขึ้ น, นมานั่นแนหะเป็นหลักที่จะให้เกิดความมั่นคงเป็นศรัทธาที่มั่นคงนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ เรียนรู้ร่วมกันนะโดยท่านอาจาร์ทรงศิลก็พยายามให้พวกเราเนี่ยได้เรียนรู้ด้วยตัวเราเองให้โอกาสพวกเราเต็มที่นในการที่จ ะ, ะปฏิบัติด้วยตัวเองนะอย่างที่หลวงพ่อคําเขียนนี่นก็พูดว่าเราต้องเรียนรู้เองเราต้องแก้ไขเองครูที่แท้จริงก็คือความผิดความถูกนั่นแหละนะที่เราได้เรียนรู้แล้วก็ปรับให้เหมาะสม นะกับตัวเราเองนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายๆท่านนะเขคงจะได้ฝึกฝนได้ปฏิบัตินะได้สัมผัสนะตรงนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นได้นะเพราะฉะนั้นครูที่แท้จริงหรือสิ่งที่จะสอนเราดีที่สุดก็คือตัวเราเองนะโดยอาศัยความรู้สึกตัวนะหลวงพ่อคาเขียนใช้คําว่า เอากายเอาใจเป็นตำรานะเอาสติหรือความรู้สึกตัวเป็นนักศึกษานะดูมันลงไปตำราเล่ม น, นี้มีให้เราเรียนได้ตลอดเวลาทุกลมหายใจก็ว่าได้นาะตั้งแต่ตื่นยันหลับทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบนะในรูปแบบก็เดินชงโคมสร้างจังหวะนอกรูปแบบก็คือในกิจวัตรประจำวัน สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ตลอดเวลาไม่เกี่ยวกับว่าผู้หญิงหรือผู้ชายไม่เกี่ยวกับว่าบวชหรือไม่บวชทุกคนมีสิทธิที่จะเรียนรู้ได้ทุกคนแล้วก็ไม่ได้จากัดด้วยเพศด้วยวัยด้วยเวลาเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้นี่เป็นสิ่งที่หลายๆคนคงจะได้สัมผัสได้เรียนรู้ไปแล้ว แม้ว่าวันนี้จะเป็นวันอาจจะเป็นวันสุดท้ายที่เรามาใช้ชีวิตร่วมกันในวันพรุ่งนี้ก็ จ, จะแยกย้ายกันไปนแต่สิ่งหนึ่งที่เราคงไม่ลืมที่เราจะติดตัวไปก็คือความรู้สึกตัวไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามแล้วก็ให้เป็นความรู้สึกตัวที่สดใหม่อยู่ทุกขณ ะ, ะตรงนี้อย่างที่ท่านจตุงจตรงสิลป์ก็พูดไว้ มืตอนเช้าว่าให้เราคิดว่าวันนี้เพิ่งมาวันแรกนะมาฝึกวันแรกอย่าคิดไปวันวันสุดท้ายนะเพราะว่าถ้าวันสุดท้ายเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเออปล่อยเนื้อปล่อยตัวแล้วนะสิ่งที่เราได้ฝึกมาก็อาจจะเลื่อนๆไปไดนะ้นี่เป็นสิ่งที่ก็คงต้องดูแลตัวเราเองนะในสิ่งที่เราได้ฝึกนะแล้วก็พัฒนาให้ยิ่งๆขึ้นไป พรนะพุทธองค์ก็กล่าวไว้ชัดเจนว่าพึงสันโดษในการกินการอยู่แต่อย่าพึงสันโดษในการเจริญกุศลธรรมนะก็คือสิ่งที่เป็นคุณงามความดีการเจริญสติเนี่ยเราก็ต้องทําให้มันยิ่งยิ่งนันไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะถึงที่สุดนะที่สุดของทุกนะที่สุดของความหนัก อ, อกหนักใจนะอันนั้นทึ่จะวางใจได้ ถ้าเรายังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็อย่าเพิ่งวางใจนะให้เราประพฤติปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเป็นกิจกรรมที่เติมเต็มลงไปในใจของเรานะอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะเหมือนอย่างกับมีอยู่วันหนึ่งหลวงพ่อก็ได้พูดว่าเราต้องเติมอาหารใจนะก็คือสตินี่แหละนะให้บ่อยๆนะตรงเนี้ย ว่ามันจะอิ่มเมื่อไหรก่ก็ก็ยังไม่รู้นะก็เติมไปเรื่อยๆนะนี่ก็เจริญสิิไปเรื่อยๆเป็นการเติมมาหารใจให้กับตัวเราเองวันหนึ่งเราให้อาหารวันละสามสี่มือ้อนะสำหรับคนทั่วไปนะส่วนนักบวชก็อาจจะมื้อหรือสองมือ้อแต่เวลาเติมมาหันใจให้วันละกี่มือ้อนะเป็นสิ่งที่เราคงต้องพิจารณาใครครูนะ่าจะลงลืมเรื่องนี้นะก็ เป็นสิ่งที่อยากจะฝากพวกเราไว้นะในท้ายที่สุดนี้นะก็ขออ้างอิงเอาคุณของพภาษีรัตนไตรนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะก็คือสติสัมปชัญญะนะที่มีอยู่ในเราทุกคนพระธรรมก็คือสัจธรรมความจรงิงนะที่ปรากฏที่แสดงให้เราเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน และผสมก็คือการประพฤติปฏิบัตนะิการเจริญเสด็จที่เราได้เพียรพยายามทำอยูนะ่อยู่ตลอดเวลานะ ด, วด้วยความเพียรพยายามของทุกท่านนะคงจะเป็นพลวัตปัตจจัยหนุนนำส่งให้ทุกท่านนะได้ถึงที่สุดแห่งทุกนะในในวันนี้โดยทั่วหน้ากันเตินเจริญพร